สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไท ย, ไทยี่คือรายการธรรมะรับอรุณขปจพประมหาใบาบุญอภิปุณโณกลมาพบกันตัวฟังอีกวาระหนึ่งในตุกวันจันทร์นั้นเราก็จะมาพูดคุยเรื่องหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแยกแยะแจกแจงจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้ให้แต่คือธรรมะเนี่ยตัวฟังมีความลึกซึ้งอยู่หลายมิติด้วยกันทั้งในเรื่องสิ่งที่เป็นสิกขาวินยัยให้ปฏิบัติตามเช่นเรื่องของศีล เป็นเรื่องหมวดของธรรมะที่เป็นไปเพื่อความมีพอกระซับเพื่อความสุขในปัจจุบันเช่นความขยนขันขันแข็งการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันหรือธรรมะที่เป็นไปขั้นลึกซึ้งในการที่จะทําอศวะให้สิน้นในการที่จะทํานิพพานได้แจ้งเช่นเรื่องของสัมโพดชงเป็นต้นเหล่านี้มีการแยกแยะแจกแจงบัญญัติแต่งทั้งเปิดเผยทําให้เป็นของตื้นทําให้เข้าใจง่าย แต่จึงประหยัดเป็นหมวดเป็นข้อข้อเป็นกลุ่มเป็นหมวดต่างๆอย่างที่เรามีการศึกษาการทําความเข้าใจกันแต่ซึ่งแน่นอนว่าในสมัยก่อนตอนนูน้นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกสอนธรรมะในช่วงสมัยพุทธกาลเนี่ยแรกๆเอาคนฟังคนนี้เขาก็จบไปเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมจบไปเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยหมายความว่าอาจจะมีพราหมณ์คนนี้มีกษัตริย์องค์นั้น หรือว่ามีขรั b ดีคนนี้มาถามคําถามอย่างได้อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงแจกแจงให้แยกแยะให้ก็เปิดเผยให้นนี่ก็เป็นทีละข้อละข้อไปแต่เพราะนั้นมันเป็นการจบในตัวแต่จบในตัวเรื่องของในเรื่องของบทสนทนาตรงนั้นหรือข้อมูลตรงนั้นสามารถใช้งานได้ทีนี้พอเวลาผ่านไปมากขึ้นมากขึ้นเป็นสิบปียี่สิบปีสามสิบคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสอนอยู่45ปี ผ่านไปนานขึ้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็มากขึ้นและมากขึ้นในสมัยนั้นวิธีการที่เขาเรียนกันเนี่ยก็คือการใช้การทรงจําการฟังศัพท์ที่เขาใช้ก็คือสุตตะสุตตะคือการฟังฟังแล้วก็ทรงจํามันไว้แล้วก็บอกกันต่อมาอ๋อวันนี้มีข้อมูลนี้เพิ่มเดี่ยวก็เรื่องพระวิหารสีพภาษาต่อไปอ๋อภิกษุรูปนั้นก็ได้ยินได้ฟังหมวดทำที่ชื่อว่าปฏิจจสมุบาทเอาก็มีข้อมูลเพิ่ม เอากระทรงจํากันไว้บอกต่อกันมาเอาอีปรรษาหนึ่งเอาบัญญัติสิกขาวินัยข้อนี้ห้ามภิกษุขุดดินห้ามภิกษุตัดต้นไม้เอาก็ะทรงจํากันไว้เป็นข้ อ, เ ป, ขอเป็นข้อกันมาแต่ซึ่งในสมัยก่อนในการที่จะเรียนให้ครบจบหมดทุกข้อเป็นภาพรวมภาพเดียวกันเนี่ยก็มีข้อจํากัดด้วยการสื่อสารบ้างด้วยคําสอนที่มันจบเป็นตอนเป็นตอนใช้ประโยชน์ได้เลยแต่มาในสมัยปัจจุบันยเรามีการลงอักษร มีการบันทึกข้อความเอาไว้เวลาเราศึกษาเนี่ยก็จึงสามารถศึกษาได้โดยภาพรวมทั้งหมดได้ศึกษาโดยภาพรวมก็ได้ศึกษาแยกแยะแจกแจงไปทีละข้อไปทีละตอนไปทีละจุดก็สามารถทําได้เหมือนกันซึ่งรูปแบบการศึกษาการปฏิบัติตรงนี้ แ, แน่นอนว่าเราจะต้องศึกษาด้วยการปฏิบัติทั้งหมดฝังแต่ศึกษาด้วยการเอามาทําไว้ในใจอย่างดีคือถ้าแค่ว่าเราอ่านเราฟังเราได้ยิน มีความรู้รับทราบแล้วจําได้ในสมองแล้วอันนั้นก็ดีส่วนหนึ่งอันนั้นยังเป็นความรู้ของค hey, นที่เขาทําเขาปฏิบัติเขาบอกมาเขารู้เขาทําเขาปฏิบัติเขาบอกมาเป็นความรู้ความเข้าใจของเขาที่เขาบอกเขาสอนมาจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามเป็นความรู้ของท่านที่ท่านที่ทาที่บอกที่สอนมาเรามาทรงจําไม่ในหัวสมองได้ก็ยังเป็นความรู้ของท่านอยู่แต่เมื่อเราเอามาทําเรามาปฏิบัติ ส่งไว้ในใจส่งไว้ในกายทําให้เกิดมีขึ้นจึงเป็นข้อปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่เราทําให้เกิดมีในตัวของเราในใจของเราได้เพราะฉะนั้นในเรื่องธรรมะตรงนี้เราก็ต้องอาศัยการปฏิบัติในการทําจึงจะเกิดความเข้าใจด้วยแต่ความทรงจําการอ่านหนังสือนั้นเป็นสิ่งดีจะเป็นการขวนขวายศึกษาขวนขวายที่จะทรงจําไว้นะี่ยดีเนะ่ยเป็นการสั่งสมอาวุธ เราจะเอาอาวุธมาปราดประหารกิเลสได้ก็ต้องเอาอาวุธนั้นมาใช้งานใ น, นคือการที่เอามาทำเอามาปฏิบัตินั่นเองเรื่องของสุดตาเรื่องของข้อมูลธรรมะ ต, ต่างต่างเหล่านี้ในปรียดเทียบเหมือนกับอาวุธที่สามารถจะเอามาใช้งานได้แต่ถ้าไม่มีการฝึกปรือฝีมือไม่มีการนําอาวุธนั้นมาใช้แม้่มัน ก, ก็เสียดายประโยชน์เสียดายความรู้เสียดายอาวุธนั้นเนีนไม่ได้ใช้งานเราก็ต้องเอามาใช้งานในการที่จะจัดการกับค่าศึก คือพวกอคุโสและธรรมท่างหลายซึ่งแน่ น, นอนการนำนะมัมาใช้นั้นมันก็จะมีอยู่หลายๆส่วนด้วยกันอย่างที่ว่าส่วนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจา ว, วันการทํางานขยันขันแข็งการเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กรรมะที่จะให้มีความระลึกถึงกันนี่ก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นไปเพื่อโล ก, กุตตะละเพื่อที่จะให้พ้นจากเรื่องข้องเรื่องกังวลของทางโลกทั้งหลายอันนี้ก็มีคือมีทั้งสองส่วนแต่และข้อมูลส่วนใหญ่นำมาฟังโดยมาก ก็จะพูดคุยเอาไว้กับภิกษุนั่นคือพระสงฆ์นั่นแหละเพราะอะไรเพราะว่าภิกษุเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่แห้อมล้อมพระพุทธเจ้าเป็นส่วนใหญ่นั่นคือถ้าภิกษุณีไปห้อมล้อมพระพุทธเจ้าอยู่ก็ดูไม่เหมาะหรือถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปห้อมล้อมพระพุทธเจ้าก็จะดูไม่เหมาะเท่ากับพระสงฆ์หมู่สงฆ์ก็อยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยเออดูแล้วมันดี เพราะฉะ น, นข้อมูลอะไรต่างเนี่ยก็จะพูดไว้กับภิกษุเป็นส่วนใหญแ่แน่นอนบางส่วนบางจุดแลก็เฉพาะเจาะจงสําหรับภิกษุละอย่างเช่นเรื่องวินัยบางอย่าง่พูดถึงการห่มผ้าสังกตินผ้าจีวรซึ่งเป็นเรื่องแบบเรื่องนุ่งห่มสําหรับพระสงฆ์เท่านั้นแต่ถ้าเราจะมาพูดในทางคารวะก็ต้องเป็นเสื้อเ ป, เ, เป็นกางเกงเป็นกระโปรงอันเี้ก็ต้องปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเราด้วยซึ่งบทถรำต่างๆเนี่ย แน่นอนว่าสามารถนําเอามาใช้กันได้ท่านผู้ฟังแต่ส่วนที่เป็นเฉพาะเจาะจงสําหรับพระสงฆ์ที่บัพพช้าได้ตรัสรมีส่วนที่สามารถที่จะนํามาใช้ในทางคารวะหรือพนักบวชในรูปแบบอื่นๆหรือแม้แต่เราอาจจะไม่ได้มีศรัทธาในคําสอนของพระบุรุษชามากแต่ว่าข้อบางอย่างมวชทำบางประเด็นแม้มันก็เอามาใช้ได้ก็ดีนะเช่นเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์การที่ไม่ลักขโมยอย่างเนี้ย ไม่ว่าคุณจะรู้จักสัมมาสัมพุท ธ, ธหรือไม่ก็ตามเถอะทั่วโลกเขาก็ออกกฎหมายกันว่า อ, อ, อย่าขโมยกันนะอย่าฆ่ากันนะถ้ามีการฆ่ามีการขโมยคุณต้องขึ้นสารติดคุกแต่เขาก็มีระบบอย่างนี้กันทั้งสิน้นโดยที่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมามีศรัทธาในคําสอนของพุทธะเลยแต่ก็ทํากันเพราะว่ามันเป็นสิ่งตี๋หลาข้อปฏิบัติดีๆหลายอย่างเราก็เอามาทําได้เหมือนกันแลโดยข้าพเจ้านี่ก็จะ นำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แหละที่จะสามารถนํามาใช้นํามาปฏิบัติมาคุยกับทั้งผู้ฟังเนี่ยเป็นหมวดเป็นหมวดเป็นข้อเป็นข้อในช่วงของวันจันทร์ในทางรายการธรรมาราบรุนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนําหมวดธรรมต่างๆมาพูดคุยกัน เ, เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้พูดคุยกับทั้งผู้ฟังเรื่องของทุ ด, ดงขวบัตทุ ด, ดงเนี่ยแปลว่าข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขูดก่ากิเลสอย่างยิ่ง ซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน น, นคือถ้าพูดถึงทุดง13ข้อก็จะต้องพูดถึงข้อวัดอีก14ข้อแต่เป็นคำที่เขาใช้เรียกด้วยกันเลยคือทุดง13วัด14ซึ่งทุดง13ที่พูดไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยลืมบอกท่านผู้ฟังไปเพราะว่าพูดเน้นไปซะเรื่องของพระเป็นส่วนใหญ่แต่วันนี้จึงต้องการจะมาเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วแม้แต่กระวาดในทุดงขวัดในหลายๆข้อหลายๆอย่าง คารวะก็สามารถทําได้แต่ไม่ใช่เฉพาะนักบวชเท่านั้นแต่เพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ขุดเก้ากิเลสแต่เป็นข้อปฏิบัติที่ดีแังคือบงคลคิดว่าเรื่องของการฉันบินธบาตเป็นวัดหรือว่าการรับประทานในที่นั่งแห่งเดียวหรือว่าการไม่รับอาหารที่มาถวายที่หลังหรือว่าการที่ใช้ผ้าสามผืนเท่านั้นแต่ น, นี้สําหรับพระสงฆ์เท่านั้นแต่อันนี้คารวะก็สามารถทําได้อันนี้จึงจะเป็น ประเด็นที่ต้องการเพิ่มเติมในเรื่องของการบินธบาตเป็นวัดเนี่ยก็หมายกวามว่าคุณจะต้องไปหาอาหารด้วยปริแข่งของตอนเองนี่คือประเด็นที่1แล้วประเด็นที่2ก็คือว่าคุณได้อะไรมาก็ยินดีตามนั้นไม่ใช่ว่าต้องไปสั่งเฉพาะเจาะจงว่าทำอาหารประเภทนี้ทําทแบบนี้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าได้อะไรมาก็ยินดีตามนั้นไม่เรื่องมากว่ากันเถอะนะครับว่าก็ปฏิบัติแบบนี้ก็ได้แต่เขาอะไรมาให้กินก็กินแต่ไม่ต้องเรื่องมาก นี่คือตุ้ดงงวัดอย่างหนึง่งถ้าเราจะเอามาปรับนิดนิดนึ่งนะให้เข้ากับาการปฏิบัติของเราได้ถึงแม้แต่การถือผ้าสผืนแต่นะประสงค์ก็จะมีแค่จีวรสบองแล้วก็สังขติแต่สําหรับคารวาสเรามาปรับนิดหนึง่งคือว่าให้มีบริการน้อยแตนะ่มีน้อยที่สุดในเท่าที่จะมี 3-4 ี่ชุดพอแตนะ่ไม่ต้องมีบริการมากมีบริการให้น้อยๆแล้วก็ใช้วนไปซักไปเปลี่ยนไปแตนะ่มีบริการน้อยอย่างนี้มันก็ภาระน้อยก็เข้าขา่า ในข้อตุนงกวัฏข้อนี้แล้วก็เรื่องของการที่ไม่รับอาหารที่ตามมาในภายหลังหรือว่าการที่รับประทานอาหารในภาชนะเดียวอย่างนี้คือแทนที่เราจะมีถ้วยแกงถ้วยน้ําจิ้มแล้วก็จานข้า ว, วถ้วยของหวานอีกแล้วก็มารวมกันในที่เดียวกันในจานเดียวกันต่างทุกอย่างมารวมกันแล้วจบตรงนี้อันนี้เราก็เอามาปรับนิดนึง ใ, นให้เข้ากับการบัติของเราก็สามารถทำได้ แต่มันต้องอาศัยการที่จะพิจารณาดูใคร้ควรศึกษาในมุมังเพราะว่าข้อปฏิบัติตรงเนี้ยก็ต้องปรับยืดหยุ่นให้มันพอเหมาะพอสมแต่คือหมายถึงที่เข้มเลยก็มีใ น, นที่หย่อนน่อยก็มีแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติอย่างไรนี่คือหมวดของธุดดงควัตรที่ต้องการเพิ่มเติมให้ว่าสามารถที่จะนำมาปรับปรุงให้เข้ากับชีวิตของการปฏิบัติสําหรับคารวะก็ได้แต่นคือไม่ใช่สําหรับพระสงฆ์นเนื้อหาที่ต้องการจะพูดวันนี้ก็คือเรื่องของ ข้อวัด14อย่างข้อวัด14อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าข้อวัดวอแวน่นกาตอเตารเรื อ, รอวัตระเนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติแต่ซึ่งพรุชาเนี่ยสอนไว้อย่างละเอียดมากท่านฟังสอนแม้ถึงขนาดการเข้าห้องน้ําการพับผ้าการซักผ้าการแปลงฟันสอนไว้ละเอียดทุกอย่างรายละเอียดพวกนี้อยู่ในข้อปฏิบัติที่เรียกว่าข้อวัดทั้งหมด 14อย่างซึ่งข้อว่า14อย่างมีอะไรบ้างนะคือแน่นอนอันนี้ได้ตรับไว้กับภิกษุใช่ไหมนะซึ่งก็จะบอกถึงเรื่องข้อที่ภิกษุควรจะต้องทํำละ่ะซึ่งในหลายๆข้อตรงนี้นะครัพระอาจาคิดว่าคารวะเนี่ยสามารถออกมาทําได้จะดีมากๆเลยอันะหนึ่งเช่นว่าเรื่องของข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่จอดมานะก็คือคุณเดินทางมาถึงวัดเนี่ยคุณเดินทางมาถึงคุณจะต้องมีการปฏิบัติอย่างไรแตนะ่คุณเป็นเจ้าทินคุณต้องมีการปฏิบัติอย่างไร อันนี้ก็สองข้อที่ต้องมากู้กันเวลาจะรับประทานอาหารเจะต้องทํำยังไงการล้างบาดอย่าให้น้ํามันกระเด็นอย่าเทเศษอาหารแต่ลงบนที่ที่มันเป็นของเกี่ยวหรือว่าในน้ําที่มันมีตัวสัตว์อันนี้เป็นต้นนะรวมถึงวิธีการที่จะอนุโมทนาในที่ฉันอันนี้คือสองข้อแรกส่วนข้อถัดมาถ้าเราจะเดินทางไปข้างนอกเราจะออกจากเสนาสนะนี้ไปเราควรจะจัดการอย่างไรอันนี้ก็สําหรับคารวาัลก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ คุณจะออกจากวัดแนะกรับไปบ้านหรือคุณจะออกก่อนออกจากบ้านคุณคุณจะต้องเตรียมการยังไงอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ดีนะที่ครับอาจารย์คือว่าทั้งังสามารถเอาไปใช้ได้รวมถึงการที่กินข้าวแลักษณะการกินข้าวการล้างจานะถ้าสําหรับพระสงฆ์ก็จะมีอีกข้อนึงก็คือการอนุโมทนาในที่ที่ไปฉันอาหานในก็5ข้อละแล้วสาหรับภิกษุที่มีการไปเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดอันนี้คือข้อปฏิบัติสําหรับภิกษุละ ก่อนที่คุณจะไปเดินบินธบาตรคุณจะต้องน้อมบาตรเข้าไปอย่างไรรับอาหารอย่างไรดูหน้าคนไม่ดูหน้าคนอย่างไรนี้เป็นข้อปฏิบัติใ น, ในข้อที่6ส่วนข้อที่7นั้นเป็นเรื่องของการอยู่ป่าแต่วิธีการที่จะอยู่ป่าจะต้องตื่นขึ้นในยามสุดแห้ยยงราตรีเป็นต้นรู้จักทางเข้าทางออกเป็นผู้ฉลาดในทิศ ท, ทางเหล่านี้ข้อที่8นั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยแต่าเราจะดูแลที่อยู่ของเราอย่างไร ฤดูร้อนฤดูหนาวแล้ก็จะมีเวลาเปิดปิดหน้าต่างในที่มันต่างกันในการอยู่ร่วมกันก็ให้รายะเอียดไว้แต่ส่วนตัดมาคือข้อปฏิบัติที่เรียกว่าสําหรับอยู่ในเรือนไฟที่คือข้อดีกล่าวถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็เรียกว่าสาวหน้านั่นแหละจะเป็นวิธีการสมัยปัจจุบันสมัยก่อนนั้นเขาก็เอาน้ํามาต้มให้เกิดไอน้ําหรือว่าเอาหินภูเขาไฟที่เผาไฟมาเอาน้ํามาราดลงไปในเกิดเป็นไอน้ําขึ้น ในห้องหับที่มีการปิดไว้มิดชิตมันก็เป็นความร้อนเกิดขึ้นมาเขาเรียกตรงนี้ว่าเรือนไฟนเป็นลักษณะของซาวนาในสมัยปัจจุบันหรือวิธีการใช้งานทํำยังไงพอมีคนต้องการมาถวายพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้รับได้พร้อมกับก็ต้องมีข้อปฏิบัติของบุคคลที่อยู่ในเรือนไฟอันนี้คือข้อที่เก้าห้องน้ำตามมาฟังจะเข้าห้องน้ําจะออกจากห้องน้ําแล้วก็สอนไม่หมด ล, ล่ะแต่ว่าตอนทํากิจในห้องน้ําอยู่เนี่ย ก็ทำอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างนะจะถอดผ้าตอนไหนต้องใส่ผ้าตอนไหนแม่อสอนไม่หมดทุกอย่างนี่คือข้อที่10บแต่ส่วนข้อที่11 12, 13และ14บสี่แต่เป็นข้อปฏิบัติซึ่งกันและกันในะระหว่างอุปชานะกับลูกศิษย์รนะหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ว่าอาจารย์กับศิษย์จะต้องปฏิบัติกันอย่างไรนะาอาารุปชากับลูกศิษย์จะต้องปฏิบัติกันอย่างไรแตนะ่ซึ่งตรงนี้มีข้อปฏิบัติที่คิดว่าดีๆอยู่หลายข้อ ที่ค า, ารวาสเนี่ยสามารถจะนํามาใช้ไดน้นหนึ่งที่เมื่อเอาอ่านไปเนี่ยเราจะพบถึงความละเอียดละออความเรียบร้อยความเนียบที่พระบุรุษชาติเนี่ยต้องการฝึกให้ภิกษุหรือว่าสาวกในธรรมะในนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นค า, ารวาสก็ตามหรือว่าภิกษุก็ตามก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นการที่จะเข้าไปไหนจะออกที่ไหนเนี่ยก็ต้องถอดรองเท้าลดร่มเวลาเข้าเวลาออกก็ไม่รีบร้อนเกินไป ในเข้าไปเป็นธรรมดาธรรมดาแต่การล้างรองเท้านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทําซึ่งปกติแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะมาอ่านข้อมูลตรงเนี้ก็ไม่ได้คิดเลยว่ารองเท้าเราจะต้องไปขัดไปล้างหรือยังไงแต่ว่าพอมาอ่านตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องล้างรองเท้านะต้องใช้ผ้าสองผืนนะผ้าแห้งเช็ดก่อนแล้วก็ผ้าเปียกเช็ดทีหลังเฮ้ยข้าพเจ้าก็งงว่าตอนไหนทําไมต้องผ้าแห้งเช็ดก่อนแล้วก็ผ้าเปียกเช็ดทีหลังคือถ้าท่านฟังเป็นคนที่ ทำความสะอาดวัสดุหรือว่าพื้นผิวอะไรต่างๆเนี่ยถ้าพื้นผิวเนี่ยมันมีฝุ่นเกาะ อ, อยู่เนี่ยถ้าเราเอาผ้าเปียกไปเช็ดเลยเนี่ยในฝ <Fiona> ุ่นอะไรต่างๆที่เราเอาผ้าเปียกลุยเข้าไปเลยเนี่ยมันจะทําให้พื้นผิวเนี่ยเป็นรอยะจะทําลายพื้นผิวของที่เราทําความสะอาดนั้นได้เราก็ต้องเอาที่ปัดฝุ่นปัดไปก่อนหรือเอาผ้าแห้งปัดก่อนเอาผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้เสร็จแล้วฝุ่นจํานวนมาก ใ, ให้มันออกไปก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาผ้าเปียกเช็ด อันนี้กเป็นความละเอียดรอบคอบของพระพุทธเจ้านาดีสอนให้ทาในเรื่องของในเรื่องการเช็ดรองเท้าแต่เป็นผู้ที่รอบคอบแหละ ว, ว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เคยมาอยู่ในที่นี้มาก่อนแต่เรามาอยู่ที่นี้เป็นครั้งแรกเราก็ต้องรู้แหละ ว, ว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนเขาเข้าออกกันกี่โมงจะกินเวลาไหนเสร็จเวลาไหนที่ชั้นอาหารน้ําสําหรับดื่มอยู่ที่ไห น, นารายละเอียดพวกนี้ต้องศทราบก็สอนเอาไว้หมด นั่นว่าคุณไปคุณต้องทราบอะไรแต่พวกนี้นะคุณเป็นคนอยู่คุณต้องแจ้งรายละเอียดพวกนี้ให้คนที่เข้ามาทราบนะนี่เป็นข้อปฏิบัติที่ดีเอาแล้วก่อนจะเดินทางกลับล่ะก่อนจะเดินทางออกไปเราก็ต้องบอกเจ้าถิ่นก่อน่บอกคืนเสนาสนะเก็บอะไรเช็ดอะไรให้เรียบร้อยเข้าที่เข้าทางแล้วก็บอกคนที่เป็นเจ้าของที่ก่อนแต่ถ้าเจ้าของที่เขาไม่อยู่ก็ต้องฝากบอกกับคนที่เขาดูแลแต่ถ้าคนดูแลไม่มีเราก็ต้องบอกกับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้น ่ว่าจะไปแล้วนะคนดูแลไม่อยู่คนเจ้าของถิ่นไม่อยู่หรือว่าถ้าไม่มีใครที่จะบอกให้ได้เลยเด่นจะหลีกไปเนี่ยก็ต้องเก็บตูแลต่างๆให้เรียบร้อยแต่ถ้ามันจะเปียกฝนอะไรก็ต้องรู้จักที่จะแยกแยะทําที่มุงบงังหรือว่ายกขึ้นให้มันเรียบร้อยตรงนั้นอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติที่แสดงถึงความละเอียดหรือความเรียบร้อยของวัตถุเชาหรือแม้แต่ในการรับประทานอาหารด้วยก็เหมือนกันเวลาจะรับประทานอาหารก็มีข้อปฏิบัติอื่นๆที่สอนไว้ เคี่ยวเสียงดังเวลารับประทานอาหารก็ต้องมองดูในบาตเวลาเทน้ําล้างบาต ท, ทิ้งแต่ก็ต้องมีใจคิดว่าอย่าให้น้ํามันกระเด็นโดนผ้าโดนคนอื่นหรือว่าเปียกหกเลอะเทอะก็ต้องมีใจคิดอย่างนี้แล้วก็คอยระวังบาตระวังกระโถนอย่าให้มันกระแทกกันมีเสียงดังในบนรยละเอียดที่ดีที่แม้แต่คารวะก็สามารถฝึกปฏิบัติได้เวลาเราล้างจานอย่างเงี้ยอย่าให้มันโปก๊กเป๊ ก, กระโดกระเดกเดี๋ยวเวลากินข้าว เน้อก็อย่าให้ช้อนซ่อมมันกระทบกับจานพระสงฆ์ก็ต้องมีข้อปฏิบัติอันนี้ช้อนมากระทบกับบาทรเ้อก็เป็นอาบาตรแล้วแต่แม้แต่อาหารที่เหลือจากการรับประทานเนื้อก็ยังสอนว่าให้มีใจที่จะระลึกถึงหออมู่เพื่อนเน้อไอ้ถ้าเราฉันเสร็จแล้วกลับมาถึงวัดมีใครต้องการอาหารเหล่านี้ไหมเนื้อก็แบ่งกันอันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าสมมติเราไปบิณฑบาตสำหรับพระสงฆ์เนี่ย ถ้าไปบินธบาตในบ้านได้อาหารอะไรมาก็แบ่งกันแต่สมมติว่าคนนี้เขากลับมาก่อนอก่อนมาก่อนก็เตรียมที่สําหรับชั้นอาหารให้เรียบร้อยถ้าเรากลับมาที่หลังเราก็เป็นคนเก็บให้เรียบร้อยแล้ก็ช่วยกันตรงนี้ในารายละเอียดอย่างเช่นการช่วยกันแล้วก็อย่าใช้เสียงดังโวกเวกโ ว, กโวยวายเรียกคนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่ว ย, นนวยแต่ให้กวักมือเรียกเฉยๆหรือทําความโวนค ว, ควายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้กิจการงานมันเรียบร้อยด้วยความสงบ นอกจากนี้ในเรื่องของข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่อยู่ป่ามีสิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เตรียมเอาไว้นะเช่นน้ำใช้น้ำฉันหนูอุปกรณ์ที่จะสำหรับจุดไฟต้องมีไม้เท้าด้วยนะต้องเรียนการดูดาวสำหรับที่จะรู้ทางเข้าทางออกรู้ทิศ ท, ทางนะแล้วก็ต้องตื่นก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะซึ่งตอนแรกข้าพเจ้าก็สงสัยว่าทาไมจะต้องเป็นอย่างนั้น เพราะว่าสาหรับบุคคลที่อยู่ป่าเนี่ยช่วงเปลี่ยนแปลงจากกลางวันเป็นกลางคืนเนี่ยมันมีความสําคัญเพราะว่าถ้าเป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนมันก็จะกลับเข้ารังสัตว์ที่หากินกลางวันมันก็จะออกจากรังแต่ช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงรอยต่อจากกลางวันเป็นกลางคืนเนี่ยมันค่อนข้างอาจจะมีอันตรายเพราะฉะนั้นจึงต้องตื่นไหมทั้งตอนค่ําที่จากกลางวันเป็นกลางคืนหรือตอนเช้าจากกลางคืนเป็นกลางวันเราก็ต้องตื่นตัว ในช่วงนั้นสำหรับผู้ที่อยู่ป่าเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนานี้ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจในมาฝังสอนแม้กระทั่งว่าต้องเช็ดกรอบหน้าต่างต้องเช็ดประตูต้องเช็ดมุมห้องกวาดอยากย่ายอยากเยื่อให้เรียบร้อยแต่เวลาจะปัดฝุ่นปัดอะไรก็อย่าไปปัดที่เหนือลมอย่าไปปัดที่มันจะใกล้ของกินของดื่มสอนไมหมดรายละเอียดตรงนี้มีในเวลาที่ใช้ ผ้าเช็ดแล้วก็ต้องบีบให้หมาดเสร็จแล้วก็ต้องตากเอาไว้ทิศทางไหนมีลมพัดที่เป็นฝุ่นมาก็ต้องปิดประตูหรือปิดหน้าต่างทางทิศทางนั้นจะเอาผ้าไปตากบนราวก็ต้องเอามือลูบราวผ้าสิก่อนแเพราะว่าบางทีบนราวผ้ามันมีฝุ่นมีอะไรจับอยู่ใช่ไหมเอาผ้าซักใหม่ๆหม่สะอาดๆไปตากมันก็จะเปื้อนได้กดสอนแม่กระทั่งว่าจะเอาผ้าไปตากบนราวก็ต้องเอามือลูบราวตากผ้าสิก่อน ในเวลาฤ ด, ดูร้อนในกลางวันเนี่ยก็ต้องปิดหน้าต่างในกลางคืนให้เปิดเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าฤ ด, ดูร้อนนี่กลางวันเนี่ยแดดมันแรงแดดมันแรงเราก็ต้องปิดหน้าต่างป้องกันกระแสความร้อนมันเข้ามาแล้วฝุ่นเอ่ยควันเอ่ยฝนเอ่ยอะไรต่างๆเนี่มันก็จะมีในช่วงฤดูร้อนตรงนี้ส่วนตอนกลางคืนก็เปิดเอาไว้ในอากาศมันทายในอากาศมันเย็นแต่ตอนฤดูหนาวก็ต้องกลับกันท่นผฟัง ฤดูหนาวตอนกลางวันเระก็ต้องเปิดหน้าต่างตอนกลางคืนก็ปิดเอาไว้ลสอนถึงขนาดนี้ในการดูแลต้องเตรียมน้ําใช้น้ําฉันน้ําล้างเท้าไว้เสมอถ้าจะอยู่ร่วมกันกับภิกษุที่แก่กว่าแต่ก็ต้องขอโอกาสก่อนในการที่จะทาสิ่งใดๆแล้วเวลาทําความสะอาดปัดฝุ่นปัดอยากย่าอะไรเนี่ยก็สอนนะท่านผู้ฟังว่าจะต้องทําจากเครื่องบนลงมาก่อนแล้วค่อยๆทําลงมาเป็นลําดับ ก่อนจะทำการเก็บพื้นที่ข้างล่างให้เรียบร้อยซะก่อนแยกไปส่วน1นแผนกหนึ่งเก็บเรียบร้อยแล้วปัดกวาดเรียบร้อยแล้วก็ทำการสะอาดพื้นตรงไหนที่มีราขึ้นก็เอาน้ําชุบเช็ดให้เรียบร้อยแต่ทาสีทาอะไรให้มันเรียบร้อยเหมือนเดิมก็ซ้อนไม่หมดแตบ่บังแต่นอกจากนี้ข้อปฏิบัติในเรื่องของเรือนไฟนเวลาไปอยู่ในซาวน้าเรือนไฟเนี่ยก่อนจะเข้าก็ต้องเอาดินเหนียวทาหน้าซะก่อนแต่บอกว่าเสนาสนะมีการ โซโคโปร์เปื้อนก็ล้างทําความสะอาดให้ดีส่วนในห้องน้ำเราก็มีรายละเอียดเช่นว่าจะต้องก่อนจะเข้าเราก็ต้องกระแอมขึ้นก่อนอันนี้คารวาสก็สามารถนําไปใช้ได้เอะเราจะรู้ยังไงว่าห้องน้ํานี้มีคนอยู่หรือไม่ถ้า่บอกว่าตรงประตูเดี๋ยมันไม่ได้มีกลอนชนิดที่บอกว่ามันล็อกหรือไม่ได้ล็อกเนี่ยนะโดยโปกติเราก็จะเคาะใช่ไหมในที่นี้พระพุปเจ้าจะสอนให้ทําเสียงกระแอมขึ้นก่อนแต่บอกว่ามีคนอยู่คนที่อยู่ข้างในก็กระแอมรับ <c oughs> มีคนอยู่ข้างไหนก็จะทราบกันไม่ต้องส่งเสียงกันเ อ, อะอะโวยวายมากแต่ให้เป็นผู้ที่มีเสียงน้อยก็ใช้เสียงกระแอมแต่ว่าการถ่ายอุจรับถ่ายปัสสาวะก็ให้ลงที่ลงต่างให้ถูกแต่นะะถ้ามันเลอะเทอะแล้วก็ต้องทําความสะอาดอันนี้บังคับไปเลยแต่มันไม่เหมือนตอนเสนาสะนะสมบังหวังตอนเสนาสะนะเนี่ยถ้าเผื่อว่าเสนาสะนะรกรงรังเปื้อนฝุ่นอะไรต่างๆแต่ถ้าอุตสาหะจะทําก็ได้แต่ห้องน้ํา ถ้าเลอะเปเื้อนต้องล้างแต่ถ้าไม่ล้างเป็นความผิดในขณะที่เสนาสนานะอาคารวิหารพวกนี้ถ้า เ, เราไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เรามาเจอเจอแล้วมันไม่เรียบร้อยแตนะ่เราอุตสาหะเราก็ทําได้ถ้าไม่อุตสาหะเราก็ทําเฉพาะตรงส่วนบริเวณที่เราจะอยู่อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยเจอเลอะต้องทําอันนี้เป็นรายละเอียดนะเป็นความละเอียดรอบคอบของพระประชา์ที่สอนอาไว้แต่ไม่ใช่เฉพาะตรงในห้องน้ํา บริเวณทางเข้าทางออกซุ้มประตูอะไรถ้าเลอะเปืเป้อนหรือว่าไม่มีน้ำเราก็ทาความสะอาดหาน้ำมาไว้ให้ดีส่วน4ี่ข้อสุดท้ายท่ า, าฟังเป็นเรื่องของการที่ประสงค์นั้นจะต้องดูแลกันอะไรมาตั้งแต่อุปชาอาจารย์ลูกศิษย์ทั้งของอุปชาและของอาจารย์ก็ต้องดูแลกันตั้งแต่เรื่องของปัจจัย4ทั้งหมดเลยการกินการอยู่การซักผ้า การซักผ้าแม้ตรงนี้ก็รายละเอียดน่าสนใจว่าเวลาซักผ้าเนี่ยเวลาพับผ้าก็ต้องพับเลื่อนเข้ามาจากขอบผ้าเนี่ยสนิ้วเน่ยนิ้วในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงนิ้วที่เป็นระบบเมตริกนะสนิ้วที่เป็นนิ้วแว่นปรทัดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่า4นิ้วมือของเรา4นิ้วมือคนเรานั่นก็ประมาณสัก5ถึงไม่ถึง10เซนติเมตรประมาณ5้าถึงสิเซนติเมตรช่วงนี้ทําไมต้องพับเหลื่อมเข้ามาไม่พับตรงกลางตอนแรกข้าพเจ้าอ่านตรงนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจยังมีคําถามค้างคาใจอยู่ จะไปเห็นผ้าของภิกษุรูปอื่นที่ท่านเวลาพับเนี่ยท่านพับตรงกลางเป๊ะใช้ใไปสปี5ปีเนี่ยปรากฏว่าผ้าเนี่ยเป็นรอยตรงกลางคืออย่างผ้าเช็ดบาตของพระเนี่ยถ้าพับตรงกลางเป๊ะ เ, เป็นใช้เป็นหลายๆปีมันก็จะเป็นรอยตรงกลางตรงกลางก็จะเปื่อยก่อนเพื่อนเลยแล้วก็จะขาดง่ายแต่ถ้าผมว่าเราพับเหลือมเข้ามาไอโอกาสที่มันจะขาดตรงกลางตรงรอยพอดีเนี่ยมันก็น้อยลง โอกาสที่จะใช้ผ้าให้มันอายุยืนเข้าไปอีกก็มีเพิ่มขึ้นแต่เป็นรายละเอียดที่บรรเจ้าสอนไว้รอบขรอบมากนอกจากนี้ยังรวมถึงการดูแลในเรื่องศีลสิกขาวินัยด้วยแต่ถ้ามีความสุ่มเสี่ยงต่อการผิดอาบัตในข้อใดๆก็ต้องช่วยดูแลกันแต่ทั้งฝ่ายลูกศิษย์ทั้งฝ่ายอาจารย์ลูกศิษย์ก็เตือนอาจารย์ได้ลูกศิษย์ก็เตือนอุปชาได้แต่ว่าถ้าเตือนแล้วท่านจะไม่ฟังก็ต้องหากุสโลบายขวนขวายในวิธีการที่จะทาให้ถูกตามสิกขาวินัย น, นี้เป็นหน้าที่ที่ระหว่างพระสงฆ์ลูกศิษย์กับอาจารย์จะต้องดูแลกันพระพเจ้าเจะเอาข้อมูลตรงนี้ตรงฝั่งเอาไว้ในเว็บไซต์ที่ p u r e t h a m m a c o m p u r d h s a m m c o m ให้ทุกฝังไปศึกษาได้อ่านกันแล้วก็จะรวบรวมเป็นประเด็นสัก4ี่ถึง5ประเด็นที่เป็นที่น่าสังเกตความรอบคอบของพระพุทธเจ้าที่สอนให้ภิกษุแทั้งหลายมีแม้ว่าเป็นเรื่องของการพาับผ้า การเข้าห้องน้ําการล้างบาศการรับประทานอาหารการพูดจาก็ต้องไม่พูดสอดขึ้นระหว่างอย่างนี้เป็นตน้นซึ่งเป็นสิ่งที่แม้แต่คารวาสก็สามารถนําไปปฏิบัติได้ตรงข้อไหนที่เรานําไปใช้ได้เนี่ยเป็นรายละเอียดที่ดีทาำฟังน่าสนใจในการศึกษาเอามาแบ่งปันให้กันฟังตรงนี้ก็เพราะว่าแสดงถึงความรอบคอบความที่พระพุชธเาเนี่ยเอาใจใส่การที่เอาใจใส่ความรอบคอบ ที่แสดงออกตัวนี้ก็บ่งบอกถึงความที่เป็นธรรมราชาธรรมราชาเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับราชสีทั้งหมดราชสีเนี่ยมีเหลี่ยมคู่ของราชสีเวลาจะ่คุบเหยื่อแล้วเนี่ยต้องทีเดียวตายแต่ไม่เสียเหลี่ยมคู่ไว้ลายของราชสีลสักษณะนั้นเช่นเดียวกันเวลาประกาศธรรมะอยากแยก่แจกแจงในเรื่องของธรรมะก็มีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของสิกขาวินัยอย่างวัด14อย่างนี้ก็มีความละเอียดรอบคอบ เพราะว่าเป็นผู้ที่เคารพธรรมะและเป็นธรรมราชานะครับพระเจ้าก็จึงนําเรื่องนี้มาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อที่จะได้เห็นถึงไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมะแต่ยังเรื่องของหมวดที่เป็นวินัยและพระพุทเจ้าสังไว้อยู่สองเรื่องคือส่วนที่เป็นธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นวินัยวินัยก็มีความรอบครอบความละเอียดอย่างที่ว่ามานี้และท่านผู้ฟังถ้ายังมีคําถามหรือว่าข้อสงสยัยใดๆ ที่เพียบใช้ p e ียว h a m m a c o m นี้ก็จะมีข้อมูลต่างๆอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นบทความหรือว่าการฟังย้อนหลังในตอนต่างๆรวมถึงบทคัดย่อของธรรมะรับรุณในตอนต่างๆด้วยนอกจากฟังได้แล้วและก็ยังมีส่วนที่เป็นข้อมูลให้อ่านกันได้หรือว่าดาวน์โหลดให้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ที่ Pi วธ a m มะคอ puredha.mm.com และถ้า ทำบังสะดวกในการที่จะเขียนจดหมายมากกว่าการที่จะไปที่เว็บไซต์ก็สามารถเขียนจดหมายเป็นปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่แปดตบลดอนหายโศกอำเภอหนองหันจังหวัดอุดรธานีรหัสปริศนีสี่หนึ่ง ห, 8, ง ห, ลงงหนนแล้วก็เรื่องของข้อบัตร14อย่างนี้โดยบทเพียนชนะของร พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็จะ โพสเอาไว้ที่เว็บไซต์เพียวธรรมบเหมือนกันแต่ถ้าตระเวงต้องการจะดูในรายละเอียดก็สามารถดูที่เว็บไซต์ได้หรือว่าจริงๆแล้วในตามตู้พระไตรปิฎกที่อยู่ตามวัดต่างๆแล้วก็มีข้อมูลเรื่องของวัด14อย่างข้อวัด14อย่างเนี่ยอยู่แล้วอยู่ในหมวดของวินยัยปิฎกเล่มที่7เรื่องของวัดตักขันทะกะอันนี้ไปหาอ่านกันได้เพิ่มเติมในหมวดของวินยัยปิฎกเล่มที่ 7. เจ็ดถ้ามีหนังสือพระไตรปิฎก หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็อย่างที่ว่า piotama.com มีข้อมูลตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังไปติดตามการศึกษาได้นอกาการที่จะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปอ่นานบทเพียรชนะตัวนั้นก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาได้ข้าพเจ้าก็สรุปมาเฉพาะเป็นประเด็นหนให้ท่านผู้ฟังฟังเฉยๆในที่นี้วันนี้เวลาหมดละท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุโนเจริญบ